ทสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสัมสนีสมทนานะคะก อ, อากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ดิฉันสัมสนีนาพงเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเราก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปี2558ที่ต้องขานเวลาก็เพื่อที่จะบอกว่าเวลาเดินผ่านไปเร็วๆนะคะเราเพิ่งฉลองปีใหม่กันไม่นาน มาตรุจจีนแล้วก็นี่ก็ใกล้ๆจะสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเข้าเดือนหน้าก็จะสู่เดือนสำคัญทาง พ, พุทธศาสนาเดือนมีนาคมจะมีวันมาฆบูชาค่ะหลังจากวันมาฆบูชาสามวันนะคะพระอาจารย์ไพล์บูรณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายสูอุดอนธานีซึ่งเป็นผู้ที่ตอบคำถามนำเอาธรรมะของพระาศาสดามาให้เราได้รู้จักกันนั้นก็จะมาแสดงธรรมให้เราเข้าใจถึง พระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ว่าเป็นอย่างไรที่หอสมุดท่านเพื่อทาตอินทปัญโยอยู่ที่สวนจตุจักรที่ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันดีนะคะจะได้ไปพบกับท่านท่านจะอยู่ช่วงเช้าจะมาฉันพัตนาหารที่นั่นด้วยเจนาฬิกาแล้วหลังจากนั้นประมาณ9นาฬิกาก็จะแสดงคำค่ะค่ะเราก็ไปพบกับท่านกันเลยนะคะน้องส ก, กาลนะ่ท่คะเมพาน พูดถึงเรื่องแสดงธรรมคุณยมติวมีข้อมูลที่จะเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งแต่ว่าในในวันนั้นอธิบดก็จะเอาซีดีที่เป็นเสียงอ่านที่อธิบดอ่านเอาไว้เรื่องของพุทธประวัติจากพระโอสถ<อ> ต, ต, ตั้งเล่มเลยค่ะที่ได้อ่านเอาไว้ในช่วงที่มีการเลีกเล่นปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยก็อ่านให้ผู้ปฏิบัติธรรมฟังก็บันทึกไว้บันทึกเอาไว้เราก็จะนําซีดีแผ่นนี้มาแจกด้วยยมต้องจองล่วงหน้าไหมคะ ซีดีนี้ ม, มีมีแจกไม่อั้ น, นมีจำนวนมากมาทีนี้ว่าที่ที่มีอั้นเนี่ยก็คือเรื่องของหนังสือจะก็จะมีหนังสือพุทธประวัติจากพระโอนดที่ทางชมรมรักธรรมของวตทอสอพอที่ก็เป็นผู้ที่นิมนต์นำมาไปเนี่ยนะเราจะมีหนังสือแจกอยู่10บเล่มซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมกันล่ะสําหรับท่านผู้ฟังรายการที่ไปที่นั่นมีกิจกรรมเสร็จแล้วใครทําได้ตามเงื่อนไขของกิจกรรม อรรมะก็จะมอบหนังสือ น, นี้ให้ไปอ๋อค่ะท่านคะในเมื่อมีเจ้าภาพเป็นปะตะทอสอพ อ, อย่างนี้ประชาชนทั่วไปท่านฟังที่ฟังรายการนี้มีโอกาสที่จะเข้าไปฟังไหมคะต่ยไิ้อย่างไรถูกต้องก็คือวันที่เจ็ดมีนาคมนั้นงานก็จะจัดอยู่ที่หอจมดหมายเหตุท่านบุทรธาสในเวลาเก้านาฬิกาก็สามารถไปได้เลยลสามารถไปได้เลย อ๋อไม่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าจองที่นั่งอะไรเงี้ยนะคะคือเขาจะลงทะเบียนที่ตรงนั้นเลยนะก็คือคุณคไปถึงคุณก็ลงชื่อลงทะเบียนอะไรต่างๆแล้วก็ก็คงจะดูว่ามีคนมากน้อยแค่ไหนก็คงจะใช้น้ำสถานที่ที่เหมาะสมในในหอจุห ม, มีซึ่งค่อนข้างกว้างข ว, วางอยู่ค่ะอืฉะนั้นก็เคยเห็นนะคะกว้างขวา ง, วางพอสมควรทีเดียว เตรียมเวลาไว้ก็แล้วกันพยายามที่จะย้ำเพราะว่านานๆท่านมาทีที่ฉันก็ไม่อยากให้ท่านฟังพลาดท่านพิบูในห่วงเกรงว่าถ้าประกาศเร็วไปเดี๋ยวจะไปกันตั้งแต่เดือนกุมภาทีนี้ก็ผ่านวันที่เจ็ดกุมภามาแล้วคิดว่าตอนนี้ก็พูดได้สบายๆแล้วนะคะเจ็มีนาคมคะ่ะแล้วก็หัวข้อที่จะได้พูดถึงตรงนี้ก็คือเรื่องของพระราชานไตร <C HA> นะซึ่งเป็นเรื่องที่พื้นฐานสําคัญมากมเลยนะคุณโยมเตียวพื้นฐานที่สําคัญมากมเลยแต่นะว่า <c oughs> สมมุติเราเราจะปฏิบัติทําได้เนี่ยคุณต้องต้องมีการระลึกถึงประธรรมนะอซึ่งบางทีพื้นฐานมากเลยอาจจะทําให้บางคนไม่ได้ค่อยพูดถึง <C HA> เราเลยจะมาย้ําในเรื่องนี้ในรายละเอียดกันนะ <C HA> ตมาพูดสามชั่วโมงเนี่ยคงจะพอพออยู่ะคงสามชั่วโมงเลยนะคะถึงเที่ยงนั่นแหละอ๋อค่ะ <C HA> นะคะก็มาฟังกันเพราะว่า สำคัญมากเรือท่านก็คิดว่าสําคัญจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าคนไม่เคยได้ศึกษามาก่อนเลยเมื่อท่านได้มาศึกษาแล้วท่านจะได้เหมือนกับว่าโอ้พระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนี้หรอเนี่ย ม, มีคุณสมบัติเช่นนี้หรืออืนะคะแล้วก็พระธรรมของพระองค์เนี่ยมีความหมายสําคัญอย่างนี้เชียวหรือกับพระสงฆ์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธองค์นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ใช่แล้วแล<ช>้ว<ช>ตัวธรรมาเองเนี่ยอพอเราเจอเรื่องที่เอไม่น่าพอใจเจอเรื่องที่ทุกข์ใจหมดกําลังใจใน ต, ตรงเนี้ยเรื่องหนังสือเรื่องพุทธประวัติจารประโณตเนี่เป็นจิตที่จะทําให้ธรรมามีกําลังใจกลับขึ้นมาได้ค่ ะ, ะที่ฉันเองก็ชอบหนังสือเล่มนี้มากนะคะดีใจมากเลยที่ท่านไปบูรณ์อ่านไว้ก็จะได้แล้วกโอกาสฟังด้วยค่ะตัวหนังสือเองหนังสือเล่มเล่มเองเราก็จะมีกิจกรรม ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมด้วยแล้วก็จะแจกให้สำหรับผู้ที่ผ่านตามเกณฑ์ต่างๆสิบเล่มเท่านั้นจำนวนสิบเล่มแต่อยายไรไปก็ไม่เสียเปล่านะคะได้ได้ซีดีแน่ๆไมีอันอนะคะท่านคะขออนุ ญ, ญาตนำเข้าสู่คำถามได้ไหมคะเดยนพานมีท่านฟังถามมาหลายวันแล้วชื่อคุณปิ่นมั้งคะ PIN อเอ็น่นนถามว่าตอนนี้เรียนพระไตรปิฎก เกี่ยวกับการอ่านการแปลอยู่ค่ะอยากทราบว่าจําเป็นต้องไปเรียนพระอภิธรรมแบบจริงจังอีกไหมคะเพราะที่อาจารย์สอนมีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตเจตสิกเยอะมากอาจารย์ที่สอนก็แนะนําให้เรียนอภิธรรมแต่เคยฟังพระที่น่านับถือบางท่านบอกว่าไม่จําเป็นด้วยว่าควรจะเรียนภาษาบาลีดีกว่าพระอาจารย์คิดว่าควรเรียนอะไรดีคะฟังทุกเช้าค่ะอในความเห็นยขาดมานะในความเห็นัตตมาคิดว่าเรียนภาษาบาลีเนี่ยดีกว่า ทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าบาลีเนี่ยเป็นเป็นพุทธพจนะ์เป็นพุทธวจนะจริงๆคือถ้าจะบอกว่าภาษาไทยเป็นพุทธวัจนะภาษาไทยเป็นพุทธพจน์เนี่ยคุณพูดได้ไม่100ร้อยเอร์ต์ถึงแม้คุณจะแปลมาก็จริงแต่แต่แปลมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าแล้วนะคือพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดภาษาไทยอะ่ะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นท่านพูดภาษาอะไรเราไปรู้ภาษานั้นเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแล้วเราเงื่อนไข แง่มุมความหมายรากศัพท์แล้วก็รวมถึงการใช้งานต่างๆในภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีความลึกซึ้งในที่ที่คนที่รู้ภาษาเขาจะทราบได้ค่แะแต่เพราะฉะนั้นการเรียนภาษาบาลีตรงนี้จะทําให้เรามีความเข้าใจสิ่งที่ยังยังไม่เข้าใจอยู่ได้ถ้าพูดง่ายๆก็คืออย่างที่คุณโยมที่พูดถึงว่าเปิดสิ่งที่ปิดอยู่เนี่ยแหละนการไปศึกษาเบื้องต้นตรงนั้นมันจะดีกว่ามากนะคะทีนี้ทีนี้เราต้องเปรียบเทียบกันนะว่า เออเราต้องทุ่มกําลังไปในการศึกษาใช่ไหมทุ่มกําลังไปในการที่จะทําความเข้าใจอ๋อเราทุ่มกําลังไปในทำการทําความเข้าใจภาษาไทยที่เป็นอภิธรรมหรือทุ่มกําลังไปในการทําความเข้าใจภาษาบาลีในที่เป็นพุทธพจน์อันนี้ก็คือว่าเราต้องดูเพราะว่ากําลังที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือถ้าเป็นเรื่องที่เราอ่านได้เข้าใจได้เป็นภาษาไทยเรามีอยู่แล้วมันไม่ได้ทําได้ยากไงมันมันทำได้ง่ายๆในการที่เราจะเพิ่มภาษาบาลีเข้าไปอีกหน่อยหนึ่ง แล้วคนไทยเนี่ยพื้นฐานความรู้ภาษาบาลีมันมีเยอะอยู่แล้วแต่ตรงนี้อาจารย์มาคิดว่าง่ายกว่าด้วยซ้ําอำค่ะอันนี้ก็เป็นคําตอบนะคะจากท่านเพบูลสําหรับคุณปิ่นนะคะเพราะตัวท่านเองเรียนภาษาบาลีอาจารย์มาได้ประโยชน์มากคุณยมติวจากการเรียนภาษาบาลีขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเราเคยเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วก็ต้องพูดอีกเนื่องเพราะว่าหลายๆศัพท์หลายๆคําที่ พอเรามารู้ในภาษาภาษาบาลีแล้วเนี่ยอย่างคําว่าสงอ์อะสง์หรือเราบอกพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยจริงๆสงเนี่ยหมายถึงหมู่นะีคือหมู่อะไรนี่ยหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนสาวกเนี่ยนะสาวกคือผู้ฟังคําสอนน้ําหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนเรียกสงสาวกของใครของพระผู้มีพระภาคก็คือหมู่ก็คือสงแห่งผู้ฟังคําสอนคือสาวก ของพระผู้มีพระภาคคือพระขว้าไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะต้องปฏิบัติดีด้วยตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆเน่ยมันเรียงมาเป็นลำดับอย่างนี้ ค, คือคําว่าถ้าเราพูดประสงค์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าพระด้วยซ้ําแต่หมายถึงหมู่หมู่ของใครหมู่ของผู้ฟังคําสอนนะคําสอนนี้คําสอนของใครของพรนะาวะนี่ยเราไม่ใช่ฟังคําสอนธรรมดาธรรมดาด้วยต้องปฏิบัติดีด้วยต้องสุปฏิปันโนด้วย เ ร, เราจะทําให้เก็ตถึงข้อมูลว่าถ้าคุณพูดถึงสองเนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระอย่างเดียวต้องหมายถึงอุบาสก อ, อุบาสิกาด้วยคนที่ปฏิบัติดีด้วยนะรายละเอียวก็จะมีอย่างนี้เพราะฉนั้นมันเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นแล้วโดยบางยิงคนที่สวดมนต์ได้ น, นะคุณโยมติว่ามาจะกจะขอให้อย่างน้อยไปเปิดพจนานุ ก, กรมในคําที่คุณสวดสว ด, สวดคุณพูดพดคุณสานยายไปเนี่ยแหมเข้าใจความหมายมันจะลึกซึ้งมากในขณะที่เราสานยายไปอย่างเงี้ยนะจะ <Okay. S 1> จะได้ประโยชน์จริง ยังจะเชื่อว่าจต้องเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าในเมื่อเราสามารถเข้าถึงภาษาที่เป็นรากเง่าได้เองด้วยตัวของเราเองก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีความรู้เพียงพออืมแล้วแล้ ว, ลวตัวมาเองตอนมาบวชแรกๆเนี่ยก็คือโง่นะคือคือยังไม่ฉลาดนะวางง่ากันเถอะนะก็คือ mm hmm. ไม่คิดว่าจําเป็นจะต้องเรียนภาษาบาลีไม่ทำไมจะต้องเรียนด้วยก็กแปลไว้หมดแล้วนี่เดี๋ยวแล้วก็ <Yeah. S 1> ไม่ได้แปลด้วยฉบับเดียวด้วย มหามกุฎราชชีพธีรัยก็แปลไว้จานวนหนึ่งมหาจุฬาลงการณราชชีพธีรัยก็แปลไว้ฉบับหนึ่งนักป่าคนนี้ก็แปลไว้นักป่าคนนั้นก็แปลไว้แต่ท่านมีความสามารถโอ้โหเยอะแยะไปหมดเอ๊ะฉันจะต้องไปแปลทำไมฉันจะต้องไปเข้าใจทำไมภาษาไทยก็จบแล้วไหมก็คิดว่าอย่างนั้นมันถึงจะถูกใช่ไหมแต่แต่ตัวเองนะไปศึกษาเองเนี่ยพบว่าโอ้โหเราฉลาดน้อยไปเพราะว่ารูปแบบของคำมันมันไม่เหมือนกันคือแปลมาแล้วมันไม่ได้เลย แต่ต่อให้คุณแปลสวยแปลดีขนาดไหนก็ตามขึ้นะมันก็ได้เป็นภาษาไทยอ่ะแต่แต่ระบบการคิดรูปแบบการคิดเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกันแต่เพราะฉนั้นพอเราก็าไปเข้าใจภาษาบาลีแล้วนะําพบว่าถ้าอาตมาไม่เรียนเนี่ยนะอาตมาคิดว่าชีวิตนี้จะเสียดายมากเสียดายมากพูดพูดอย่างนี้เลยนะนะว่าจะเสียดายเวลาที่เราอุตส่าห์มาบวชอุตส่าห์มาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ศึกษาแค่ภาษาไทยแม่มันจะเสียดายมาก ค่ะ<ม>อันนี้ก็เป็นเป็นแง่คิดจากพูดที่ได้ประสบด้วยตนเอง<ม>คือท่านไพบู์แต่ฉันสงสัยเอาง่ายๆเลยะคะ่ะ<ม>ภาษาบาลีเนี่ยปัจจุบันสถานะเป็นภาษาที่ยังใช้กันอยู่ในโลกพูดคุยกันแบบธรรมดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรอย่างนี้ไหมคะมีส่วนที่คล้ายๆกันอยู่างมาเคยได้ยินนะที่มีมีส่วนหนึ่งในประเทศอินเดียเขาก็พูดกันหรือว่าที่ ศรีลังกาเกาจะมีการพูดกันอยู่หรือว่าในการประชุมทางวิชาการบางครั้งเขาก็ใช้ภาษาบาลีกันรอคะอมไม่ไม่ใช่ว่าเป็นภาษาที่ใช้สำหรับในการที่จะศึกษาคำาสอนของพระพุทธองค์เท่านั้น ถ, ถูกต้องอันนี้อันนี้คุณยมตีข้าใจถูกแล้วนะภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาคำาสอนนะคือมันมีวิวัฒนาการมานะะกว่าที่เราจะเห็น สิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยที่เป็นคําภาษาบาลีพวกเนี้ mm hmm. เขาก็วิวัฒนาการมาแล้วว่าให้เป็นภาษาในลักษณะนี้เพื่อที่จะให้ทรงจํากันได้สมัยก่อนการบันทึกข้อมูลเนี่ยบันทึกลงในสมองในเป็นความจําเพราะฉะนั้นรูปแบบแพทเทิร์นของการพูดการอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีรูปแบบแพทเทิร์นเพื่อให้มันทรงจําได้สืบต่อกันไม่ได้เพราะอย่างนี้นะคะอันนี้พูดแบบไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาบาลีอย่างเป็นทางการเลยถ้าจะพอรู้บ้างก็จากการที่ อ่านหนังสือสวดมนต์สมมติว่าเราสวดอีติพิโสได้อย่างเงี้ย น, นะคะพอไปเห็นอีติพิโสที่เป็นภาษาบาลีก็พอจะเดาๆได้ว่าอ๋อวงกลมๆๆเนี่ย น, นะคะไปอยู่ตรงไหนจะทําให้สะกดออกมาแล้วออกเสียงอะไรหรือจุดที่อยู่ข้างใต้ตัว อ, ยอยักษรอะไรเงี้ย น, นะคะพอเดาได้เพราะดูเหมือนกับว่าไม่ยุ่งยากซับซ้อนอันนี้ไม่รวมถึงคําแปลแต่ดิฉันสังเกตอย่างหนึ่งอะคะ่ะว่าเอ๊แล้วทำไมยังต้องใช้พยัญชนะของไทยอยู่ คือตัวอักษรแตนะตัวอักษรเนี่ยจะใช้ภาษาอะไรก็ได้แตนะจะใช้ภาษาตัวอักษรโรมันแตนะตัวอักษรขอมตัวอักษรพมา่าตัวอักษรลังกาได้ทั้งนั้นแต่เขียนออกมาแล้วให้กาอ่านเป็นภาษาบาลีแต่กนะ็คือพูดง่ายเหมือนคาราโอเก<ฆ>นะแต่คาราโอเกะคุณเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ให้ฝรั่งเนี่ยเขาอ่านออกมาเป็นภาษาไทย<ฆ>นะนี่คือลักษณะว่าเป็นภาษาคาราโอเกะนะเท่ากับว่าหาก สมมติว่าเป็นประเทศอังกฤษจะเขียนด้วยตัวโรมัน <Roman. S 1> บาลีาลาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างนั้นใช่ไหมคะเขียนด้วยด้วยตัวโรมันภาษาอังกฤษก็คือตัวอักษรโรมัน A B C เนี่ยน ะ, ะเขียนด้วยตัวอักษร A B C เนี่ยแหละแต่อ่านออกมาให้เป็นอ e ิติป so ิโสได้ถูกต้องอันนี้ก็คือจะเป็นภาษาบาลีแต่นนในทางวิชาการเนี่ยเขาจะต้องพูดถึงสองอย่างนะึภาษานนี้ก็อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือตัวอักษร ภาษาบาลีอักษรโรมันภาษาบาลีอักษรไทยในอิติปิโสเนี่ยเป็นภาษาบาลีอักษรไทยท่านคะดูเหมือนกับว่าเป็นภาษาพิเศษมากเลยสามารถจะไปประยุกต์เข้าในทุกๆภาษาได้โดยเน้นในเรื่องเสียงเป็นหลักถูกไหมคะถูก ต, ต้องถูกต้องการอ่าน อ, ออกเสียงเป็นหลักค่ะซึ่งซึ่งอันนี้มก็เป็นมาตั้งแต่สมัยโน้นนั่นแล้วนะว่าภาษาไม่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก็คือการอ่าน อ, ออกเสียงเป็นหลักก่อน มีการพูดการใช้งานก่อนแล้วก็มาเขียนที่หลังเนี่ยมันจาไหนก็จะพัฒนาการมาจากตรงนั้นค่ะแต่ดูเหมืนกับว่าเราจะลงลึกไปในรายละเอียดไกลไปนิดหนึ่งหลายคนอาจจะรอฟังทำอยู่ก็ได้นะ ก, ก็ต้องกลับมาจุดที่ว่าเรียนพระไตรปิฎกเนะีซึ่งในพระไตรปิฎกที่เราพูดถึงว่ามีข้อมูลธรรมะอยู่เยอะแยะหลากหลายอย่างเนี่ยส่วนที่เป็นพุทธพจน์ก็มีส่วนที่เป็นคําอธิบายอธิบายโดยอัฏฐาก็มีอธิบายโดยเปียญชนะก็มี แล้วเราจุดประสงค์ก็คือเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้กลับมาตรงที่ตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นเอง น, นี่สำคัญมากมาถึงคำถามเป็นคำถามที่ที่นอยากกราบเรียนถามท่านเองนะคะว่าถ้าเรามีความรู้สึกโกรธนะคะเข้าใจว่าตามคำสอนของพระาศาสดาเนี่ยจะบอกให้เราอยา่าโกรธถูกไหมคะถูกทางให้มีเมตตากันค่ะแต่ว่า มันก็มีความรู้ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะประสบการณ์ของแต่ละคนก็ได้เหมือนกับนที่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้จะกลายเป็นภูเขาไฟระเบิดหนึ่งวันวันใดวันหนึ่งใช่ไหมค ะ, ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรกับความโกรธแล้วก็การเก็บไว้มันจะเป็นไปในลักษณะที่ได้กลับเรียนไปแล้วจริงหรือไม่ในทางพระพุทธศาสนานะคะ เรื่องของความโกรธถ้าเกิดขึ้นแล้วมระพุทธเจ้าให้ละเสียเนะีเพราะว่ามันเป็นอกุศลธรรมทีนี้บางคนที่บอกว่าเอ๊ะ hey, ฉันก็อดทนอดทนอดทนนะอดทนแล้วก็ถึงวันหนึ่งก็ระเบิดออกมาแ <c oughs> สดงว่าอดทนไม่ถูกเหนะือซึ่งการอดทนถ้าทำไม่ถูกเนี่ยก็คือการเก็บกดเนะีเพราะว่าคุณก็เก็บสะสมความโกรธเอาไว้เก็บสะสมความไม่พอใจเอาไวนะา้นีมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดอันะนี้คือเรียกว่าเก็บกดเนะี่ยไม่เรียกว่าอดทน แต่อดทนเนี่ยเราทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งมันมีความต่างกันอยู่เนีเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ละให้ทิ้งนะให้ทิ้งเลยคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมดเน่ความคิดที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมดอารมณ์ที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมดคุณต้องทิ้งคุณต้องละคุณต้องไม่ถือเอาแต่ซึ่งการทิ้งการละการไม่ถือเอาเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้อยู่แล้วยแล้วทำยังไงอ่ะก็ไปสนใจเรื่องอื่นหรือไม่คุณก็ตั้งสติเอาไว้นีมีเทคนิคอะไรเทคนิคเช่นมาดูลมหายใจเราก็จะค่อยๆ ละไอ้เจ้าความโกรธนี้ไปได้ความโกรธอยากเก็บเอาไว้เนี่ย น, นี่ต้องทําความเข้าใจแต่อดทนเนี่ยคืออดทนไม่ให้อกุสุลธรรมเกิดขึ้นอดทนในการที่จะอยู่บางทีบางทีงทเราเราไปไหนไม่ได้เราจำเป็นต้องอยู่ใช่บางทีเรายังต้องทํางานอยู่อยู่กับหัวหน้าคนนี้ถืออยู่ในสถานการณ์อย่างนี้แม้มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเลยก็อดทนต่อทุกโเวทนานั้นได้อดทนต่อทุกโกรธนาแล้วยังไง ไม่ให้อกุศลธรรมเกิดถ้าอากุศลธรรมเกิดต้องทำยังไงอย่าเก็บเอาไว้ต้องรีบละเสียนะขั้นตอนมันมันจะต่างกันนิดนึงนะคุณย่าเดี๋วน ะ, ะอดทนนี่คืออดทนต่อทุกเวทนาอดทนต่อคำด่าคำว่าอดทนต่อบางทีความเจ็บความปวดในร่างกายอดทนทธรรมอดทนไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดอันนี้คือคุณทนได้ดีแต่ทีนี้ถ้ามันเกิดล่ะต้องรีบละเสียอย่าเก็บเอาไว้แตนะ่เราถ้าเก็บตรงนั้นเป็นกลายเป็นการเก็บกด ซึ่งมันอยู่เบื้องหลังลึกลงไปของความอดทนอีกทีนึ่งแตนะ่ตรงนั้นเราต้องลาเสียทีนี้กระบวนการที่เราจะทําไดนะ้แน่นอนเราต้องมีตั้งสติเอาไว้ น, ะ น, นี้คือคือ อ, อันที่หน่งเลยสาคัญที่สุดเลยตั้งสติเอาไว้อย่าให้จิตของเราไปคล่องแหวนในส่วนนั้นนะหรือ 2. แต่คุณมีการเตรียมการมาก่อนหรือไม่ในะการเตรียมการมาก่อนก็คือว่าเราก็าต้องมีน้ำํำนะซึ่งในที่นี้เปรียบเหมือนกับความเมตตานั่นเองให้นะ มีมาอยู่ก่อนแล้วถ้าเราเจริญเมตตา ม, มาอยู่เรื่อยๆทําอยู่เนืองๆไอ้ความโกรธความไม่พอใจที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากนะนี่คือข้อที่2จเจริญเมตตา ม, มาก่อนแล้วข้อที่3ก็คือว่าเราจะพิจารณาให้เห็นถึงความโกรธหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนนะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นตัวเราของเราและสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความหยาก มีสิ่งที่ละเอียดประณีกว่านั้นอยู่พระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของอุเบกขาเป็นต้นแต่เป็นสิ่งเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่มันประณีกว่าความโกรธความสุขบ้างความทุกข์บ้างพวกนี<ช>้คือคือเวลาพูดมันง่ายคุณยมติว๋ว<ช>เวลาพูดมันง่ายแต่เวลาเราเราฟังเทศฟังอะไรเข้าใจเข้าใจโอเคแต่พอเจอสถานการณ์จริงเนี่ยเขาโทรศัพท์มาที้ทันทีเขาสง่งขความมาปี๊ดทันที เนี่ยเข้ารถปานหน้านี่มันไปแล้วจิตเรามันไปแล้วเนะ่ยตรงเนี้เราจึงตง้องค่อยๆฝึกในะการฝึกที่เป็นรูปแบบเนี่ยช่วยได้มากเนะี่ยพอเราฝึกที่เป็นรูปแบบเช่นวา่าตอนเช้าคุณตื่นมาเอาขอเวลาสักห้านาทีนะ่ะอ น, นัะสมาที่สนอยอย่างนี้นะรตรงเนี้จะช่วยทําให้ในระหว่างวันของเราเนี่ยเราจะไม่หลุดได้บ่อยๆไออัตราการหลุดมืองก็จะค่อยลดลงในในระหว่างวันแต่คุณมีเวลาสองนาทีตรงนั้นสามนาทีตรงนี้ คุณสังเกตลมหายใจคุณฝึกในการที่จะตั้งสติเอาไว้ระหว่างกินข้าวนั้นก็อย่าแบบจ้วงเอาจ้วงเอาใช่ไหมฝึกสติในการที่จะพิจรนารณาก่อนกินข้าวด้วยอันนี้จะช่วยได้ตลอดเลยมันจะเอื้อเกือ้อกูลกันนะตรงตตรงตรงจุดที่เราเราแบบเผลอปีต์ไปเราเพลินไปเนี่ยคือลักษณะความเพลินไปในอารมณ์นั่นแหะลักษณะที่เราประมาทละเรามัวเมาละเราก็ต้องตั้งสติเอาไว้คะ คือเหมือนกับว่าถ้าเอาเป็นทฤษฎีเลยของพระพุทธเจ้าเนี่ยความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลถูกต้องซึ่งได้ตรัสเอาไว้ว่าอะไรที่เป็นอกุศลละธรรมทั้งหลายนั้นต้องทิ้งต้องละไม่ใช่กดไว้ไม่ใช่เก็บไว้ถูกไหมคะถูกต้องคือไม่ใช่ระ ง, งับไม่ให้มันโกรธแต่ว่าทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยไม่ให้โกรธใชคะทิ้งละไม่ถือเอาถูกต้องส่วนอ่า ถ้าเก็บเอาไว้กักเอาไว้เรียกว่าเป็นการเก็บกฎถูกต้องนะคะและถ้าหากว่ากระบวนการที่ <c oughs> จะจัดการกับความโกรธให้ดีต้องมีความอดทนแต่เป็นความอดทนที่จะละอกุศลลธรรมและทำให้กุศลธรรมเกิดด้วยไหมคะคืออดทนในการที่จะไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นอดทนไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น นั่นคืออดทนอยู่ในทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นคือถ้าเราอยู่ในทุกขเวทนาแล้วเราจะมีอกุศลธรธรมเกิดขึ้นเนี่ยจีบปีขึ้นมาเราอดทนอยู่ด้วยเราอดทนไม่ให้อกุศลธรธรมมันเกิดถ้ามันเกิดเราต้องรีบล ะ, ะนะคะแล้วท่านก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องว่าจะทําได้เนี่ยต้องมีมันต้มีภูมิคุ้มกันเลยนะคะชอย่างแรกใช่ไหมคะต้องเตรียมตัวด้วยการเจริญเมตตาเอาไว้ถเรื่อยเรื่อย รื่อยตั้งสติตลอดเวลาการจะตั้งสติตลอดเวลาได้ดีเป็นธรรมชาติของเราที่ว่ามันต้องฝึกถูกไมคะเหมือนขี่จักรยานใช่ต้ฝึกการฝึ ก, ฝกที่เป็นรูปแบบนี่ช่วยได้นะคะการฝึกแบบเป็นรูปแบบจะทำให้สติตั้งได้เร็วใช่การฝึกที่เป็นรูปแบบนี่จะช่วยได้แล้วเราก็ฝึกในระหว่างวันด้วยเอาไปใช้ ใ, ชในชีวิตประจาวันนี่ยิ่งจะได้ดี ค่ะถ้าเกิดว่าฝึกสตินั้นต้องฝึกตลอดเวลาฝึกแบบมีรูปแบบกับเอามาใช้ถือว่าเวลาในชีวิตประจำวันนี่ไม่ใช่ฝึกแล้วนะคะคือเอามาใช้เลยแหละเอามาใช้ถูกะตค่ะแล้วก็ให้พิจารณาว่าความโกรธไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้เป็นวิธีที่สามสามารถใช้ได้เหมือนกันอันนี้ต้องผ่านการฝึกนะคะถึงจะเข้าใจว่าความโกรธไม่ใช่ตัวตนของเราอืม คือเราต้องแยกเห็นได้สมมุติเรา ล, ลมหายใจของเราลมหายใจของเรากับจิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจเนี่ยแค่ว่าเรามา<ข>พยายามสังเกตลมหายใจของเราสักสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าสักหนาที่สมมุติคนไม่เคยลองทำเลยทำสักหานาทีทำตอนนี้เลยก็ได้สมมติฟังก็ทําตามไปใช่ปะถ้าจัหงหวะไหนที่เราหยุดหายใจแต่จิตฉันยังอยู่นะแสดงว่าจิตกับลมหายใจเนี่ยมั น, นมคนละอันกันถูกไหมจิตกับลมหายใจมันคนอนกันคือจิตเนี่เข้าไปรู้ลมหายใจจิตกับลมหายใจไม่ใช่นเดียวกัน หรืวเช่นการอารมณ์ใดๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับจิตที่ก็ไปรู้อารมณ์นั้นเนี่ยมันคนละอันกันค่ะอารมณ์นั้นไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์นั้นแต่มันมันเหมือนกันเลยนะมันเนียนๆเลยเนี่ยก็เาความยึดถือมันมันมันเชื่อมกันแล้วค่ะเราก็ต้องไม่ค่อยออกกันนะคะเราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ใช่ค่ะก็ได้อ่าอะไรคะได้วิชาแล้วล่ะนะคะส่วนจะไปทําให้เกิดปัญญานนั้เป็นเรื่องต่อไปของท่านทั้งหลายแล้วกัน ก็กล่าวนมัสการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะบในมัสการค่ะเพราะว่าพอควรแก่เวลานะคะท่านผู้ฟังรายการนี้สัมน ส, นสีสนทนาสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอมร้อยหกค่ะอยูชช่ชิดทางขวามือก็ติดตามรับฟังรายการนี้ที่มีดิฉันสนทนาด้วยเนี่ยในทุกวันพฤหั ส, สบดีกับวันศุกร์นะคะแต่ว่าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยท่านพระมหาพิบูลอภิปุณโนวัดป่าดอนหไฮโซท่านมา สแสดงทรให้กับพวกเราที่ฟังกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะและวันที่7นี้ท่านก็จะบินมาเลยนะคะจากจังหวัดอุดรธา น, นีตามคำนิมนต์ของทางปตทสพแต่เปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้าฟังด้วยที่หอสมุดท่านเพื่อธาตุอินทะปัญโยสวนจตุจักรตั้งแต่ตอนเช้าท่านไปถึงที่นั่นเพื่อฉันเช้านะคะและจะสแสดงธรรมเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ วันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ